hmm <sweak> คืนวานต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดวันนี้น ะ, ะพวกเราหลายคนทั้งพระทั้งแม่ชีแล้วก็ญาติโยมนะหลายท่านนะก็ได้ร่วมทำความเพียรที่สารไกนะ่เป็นการทำความเพียรข้ามคืนนะนะโดย ไม่หลับไม่นอนอาจจะเผลองีบไปบ้างเล็กน้อยนะเมื่อรู้ตัวก็ทำความเพียรต่อสร้างจังหวะเดินจงกรมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญชากรยานุโยกนะคือทำความตื่นบางทีเราก็เรียกว่าเป็นเนสัตชิกนะเนสัตชิกก็หมายถึงว่าอยู่ในอิริยาบทสาม นะยืนเดินนั่งนะแต่ไม่นอนนะไม่นอนนี่ก็คือไม่เอาหลังทาบกับพื้นนะแต่อาจจะนั่งหลับก็ได้นะแต่ว่าที่เราได้ร่วมกันทำในวันนี้นะที่ผ่านมานะ8ถึงสิบชั่วโมงก็เป็นการทำความเพียรจริงๆนะนอกจากจะ ไม่ไม่เอาหลังทาากับพื้นแล้วนะก็มีการปฏิบัติเจริญสติอาตมาเองก็มีได้ร่วมปฏิบัตินะกับพวกเราด้วยก็ถือว่าเป็นการทำบุญนะเนื่องในวันวิสาข บ, บูชาถวายพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดไปด้วยในตัวจริงๆแล้วนี่ก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยได้ทำบุญในลักษณะนี้นะปฏิบัติทำความเพียรข้ามคืนนะเนื่องในวันเกิดนะ แต่ในโอกาสอื่นก็เคยทำอยู่ที่จริงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่นะในวันเกิดนะตอนเด็กๆอาจจะมีใส่บาตรบ้างแต่พอโตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำบุญอย่างที่ทำกันตามประเพณีเท่าไหร่ อันนี้เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตไปตามปกติงานเลี้ยงงานฉลองวันเกิดก็ไม่เคยมี เ, เขานะจนกระทั่งเมื่อสองสามวันก่อนนะเป็นครั้งแรกในรอบ60สปีนะมิสหายนะที่เครือข่ายพุทธิกาเขาก็จัดจัดเลี้ยงพระนะ จะเรียกว่าฉลองวันเกิดก็ได้นั่นแหละนะคืองานฉลองวันเกิดครั้งแรกในชีวิตนะก่อนนั้นไม่เคยไม่เค ย, ม, เคยมีใครทำให้แล้วก็ไม่เคยทาเองด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญอย่างที่พูดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทำความดีแล้วก็ทำนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทเพราะ ปารับโอกาสนีนะ้ก็คือใช้ชีวิตไปตามปกตนะิถึงวันเกิดก็ทำอย่างที่เคยทำมันก่อนๆ น, นะนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นการใช้ชีวิตในศีลในธรรมอยู่แล้วนะเพิ่งมาปีนี้ที่เรียกว่านะทำบุญกันนะขนาดใหญ่แนละตั้งแต่เช้าเลยทั้งตามประเพณีแล้วก็นะไปปลูก ป, ป่า ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบแทนคุณธรรมชาติแล้วก็มาทำต่อเนื่องนะจนกระทั่งก่อนทำวัดมุสกครูนี่เองจริงๆเนี่ยเมื่อคนเรามีอายุครบห0สปีมันก็ถือว่าเป็นโชคนะเพราะว่า คนที่จะมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวนะถึง60สิปีนี่ก็แม้จะมีอยู่มากนะในยุคนี้นะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเขาก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะอยู่มาจนถึงอายุครบห้ารอบบางคนก็ตายตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างน้องชายตา ม, มานี่ก็ตายเมื่อยุคสิบนะ เมื่อปีสองหนึ่งก็เกือบเกือบสี่สิบปีมาละก็เพื่อนอีกหลายคนนะที่เรียนมาด้วยกันก็ก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนนะที่จริงตัวเองนี่ก็เกือบจะตายมาครั้งหนึ่งนะตอนเหตุการณ์หกตุลาตอนนั้นคิดว่ามีโอกาสตายในสูงมากเลยเพราะว่าถูกจับที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ ถูกนาไปขังไว้ที่เมืองชนตอนนั้นคิดว่าเขคงจะเอาไปทิ้งทะเลแล้วเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะไปในประเทศชิลีในช่วงปีหนึ่งหนึ่งปีก่อนหน้า น, นั้นเราคิดว่าก็คงจะลงเอยแบบนั้นเหมือนกันเพราะเคยมีการขู่เอาไว้ว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝ่ายขวานะขึ้นปกครองบ้านเมืองที่ฝ่ายซ้ายนี่ถกกวาเรียบ จริงๆตัวเองก็ไม่ได้ใส่้ายแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่ชุมนุมพุทธแล้วสมาทานในหิงสานะแต่ก็ถูกล่วบไปด้วยนะในเหตุการณ์นั้นก็คิดว่าจะตายรอดมาได้นะติดคุกแค่สามวันแล้วก็พอมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนมากมายบางคนก็ถูกแขวนคอที่สนามหลวงบางคนก็ถูกลากศพนะ ไปตามสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ก็รู้สึกว่าเราโชคดีเนะ่เหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งนะเป็นกำไรชีวิตเนี่ยปีนะเพราะว่าควรจะตายตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอันนี้พอมีอ่ ชิดมาถึงอายุ60เนี่ยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยไม่ตาบอดไม่หูหนวกนะไม่อามาพึกอัมาพาตไม่มีโรคร้ายเช่นเบาหวานไตวายหรือโรคมะเร็งนะไม่นอนติดเตียงยังสามารถที่จะเดินเหินะไปไหนมาไหนได้สามารถจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้นะถ้า ถ้าอยากจะไปหรือถ้ามีเวลาก็เป็นโชคอีกเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มีอายุห0สแต่ว่าพิกลพิ ก, การนะเป็นน้ำมาพึกอมนาภพาดนอนติดเตียงอันนี้มีอยู่ไม่น้อยทีเดียวบนะองคนก็ลองล้างไตาอาทิตย์ละสองครั้งนะอันนี้เมื่อได้มีอายุถึงห0สนะแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตเนะี่ย ตอนเนื่องนานถึงส4มปีก็เป็นโชคอีกเหมือนกันพู้ง่ายคือว่าการที่เพียงแค่เรามีอายุมาถึงปานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคหาได้ยากแล้วเมื่อคนเราครบนะรอบวันเกิดเนี่ยในแง่หนึ่งก็หมายความว่าเรามีชีวิตยืนยาวอีกหนึ่งปีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็หมายความว่าเรา อยู่ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเวลาของอตามา น, นี่ก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะถ้าหากว่าอายุเท่าหลวงพ่ อ, อคำเขียนเนี่ยก็หมายความมีเวลาอีกเหลืออยู่อีก18ปีเท่านั้นแหละถ้าเอาเวลาของโยมแม่เนี่ยนะเป็นเกณฑ์เนี่ยก็มีเวลาเหลืออีก3ปีนะก่อนที่จ ะ, ะละโลกนี้ไป แต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปมันก็หมายความว่าเรามีชีวิตนะน้อยลงไปเรื่อยๆนะใกล้ความตายเข้าไปทุกทีวันเกิดนี่นะคนเราควรจะคิดแบบนี้บ้างว่าในแง่หนึ่งเราก็โชคดีที่ยังมีชีวิตรอดมาอีกหนึ่งปีมีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีแต่ในรายเดียวกันเราก็ใกล้ความตายขึ้นมาอีกหนึ่งปี มันไม่ใช่เป็นเวลาที่จะควรจะการเฉลิมฉลองแต่ว่ามันเป็นเวลาที่จะใคร่ครวญ น, นะถึงความไม่เที่ยงนะของหรือว่าเวลาที่เราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแต่ไม่ใช่คิดเพื่อจะให้ใ ห, หดหู่เศร้ามองนะแต่เพื่อห้ได้เกิดความไม่ประมาทเพื่อได้ตระหนักว่าในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะจะต้องรีบขวนขวาย ทำสิ่งที่ควรทำเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะตอนที่ปลูกป่าเสร็จเนี่ยขาที่นั่งพักผ่อนก็มีเด็กๆหลายคนแล้วนังผู้ใหญ่ด้วยนะประสานเสียงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูอราจะมาฟังก็โอเคนะเคลิ่มดีเป็นกันแต่ก็บอกเขาว่า ลองให้ไปเบิร์ดเดย์เสร็จก็ขอให้ร้องเพลงอนิจจาวัตสังขาราด้วยสำคัญมากนะอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยาษิตเนี่ยมันเหมาะสำหรับวันเกิดนะอย่างน้อยๆเนี่ยครบรอบวันเกิดแล้วก็ต้องควรจะร้องเพลงหรือควรจะร ะ, ะลึกนะถึงภาสิตนี้อนิจจาวัตสังขารา แต่หลายคนเนี่ยพอนะถ้าวันเกิดเนี่ยมาร้องอ น, นิจจาวาสังขารา น, นีเขาหาว่าแช่งนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าพาสิทิ์เนี่ยนะมันหมายถึงงานศพมันหมายถึงการแช่งให้ตายไวแต่จริงไม่ใช่เลยนะอันนี้เราเป็นพรเลยใช่ไหมเป็นพอรอย่างหนึ่งพรในความหมายที่ว่าเป็นของประเสริฐคําว่าพอรเนี่ยแปลว่าประเสริฐ ี่จารย์วัสังขาราเนี่ยเป็นพุทธภาษิต ท, ที่เคยเป็นเหตุปัจจัยให้พระรูปหนึ่งในสมัยพุทธการท่านบรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านชื่อพระมหาการการนี่ลอนลิ้นะท่านเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีคราวหนึ่งท่านก็ไปที่ป่าช้าแล้วก็มีศพ ที่ยังไม่ทันจะเผาท่านก็พิจารณาศพนั้นแล้วก็ระลึกถึงาภาสิตนี่แหละอ น, นิจจาวัตสังขาร า, าความหมายเต็มๆก็คือว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระ ง, งับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นสุขอย่างยิ่งท่านพิจารณาเนี่ยท่านก็เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารศพที่เน่าเปื่อยอยู่ต่อหน้าและความจริงที่เกิดจากการที่ได้พิจารณาโดยอาศัยพาสิตเนี่ยนะเป็นเครื่องชี้นำท่านก็เกิดปัญญาเลยนะเห็นแจ้งในสัจธรรม เจ็ดหลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์อาจา ร, า ร, ระย์จึงบอกว่าพุทธพาสิตเนี่ยนะมันเป็นของดีของประเสริฐนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไปเข้าใจว่ า, าพาสิตอย่างเนี้ยนะถ้าเอามาเอ่ยในวันเกิดนี่ถือว่าเป็นการแช่งนะเพราะว่าชวนนึกถึงงานศพที่จริงเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกับที่คนสมัยก่อนเนี่ย นะคนจํานวนหนึ่งเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆ น, นะเวลาคิดถึงคําว่าอารหังเนี่ยเขาถือว่าแช่งนะเขาถือว่าไม่เป็นมงคลเลยนะถ้าคำเอ่ยคําว่าอารหังขึ้นมาหลวงพ่อปานวัดบางหนมโคเนี่ยนะถ้าเร า, าตอนที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆนะทั้งสี่ห้าขวดได้ั้งมีคราวหนึ่งญนะาติผู้ใหญนะ่เป็นย่านะคุณย่า ก, กลาลังจะตาย คนสมัยก่อนก็ตายที่บ้านนะไม่ได้ตายที่โรงพยบาบาลในระยะท้ายๆเนี่ยนะก็จะมีลูกหลานเนี่ยมาพูดกับซิบข้างหูแม่แม่แมนะอารหังอารหังนะอระหังภาวนาไว้นะเดี๋ยวพระอารหังจะช่วยก็คือบอกอารหังนะใครต่อใครก็มาพูดแบบนี้นะจนกระทั่งเด็กชายปานซึ่งวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนเนี่ยได้ยินก็เลยขึ้นมาดู ก็ถูกผู้ใหญ่เนี่ยไล่ไปเพราะคนสมัยก่อนนี่ก็คงไม่อยากจะให้เด็กมาดูคนตายแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ถือแล้วนะเพราะว่าที่หมู่บ้านตามานเนี่ยคนถ้าคนแก่กําลังจะตายนะลูกหลานบ้านนั้นบ้านนี้มาดูเขาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรคราวนี้เนี่ยนะพอตกเย็นนะเด็กชายปาลเนี่ยนะกินอาหารกับพ่อแม่อาหารก็เพลินอร่อยด้วย ก็สบายใจมีความสุขก็เลยพูดขึ้นมาว่าอารหังอารหังแม่นี่ได้ยินนะโกรธเลยนะลากตัวมาไปออกไปที่ระเบียงเลยแล้วก็ตะโกนสุดเสียงเลยนะบอกว่ามึงจะตายก็ตายหาคนเดียวนะถ้ามึงจะตายก็ตายหาคนเดียวนะอย่ามาร้องอารหังที่นี่ คำว่าอารหังเนี่ยนะคนใกล้าตายเท่านั้นแหละหรือคนกาลังจะตายเท่านั้นเท่านั้นแหละ ท, ที่เขาว่ากันดันมาร้องอารหังที่นีนะ่เดี๋ยวก็จะเป็นลางร้ายทำให้ตายกันหมดคนะำว่าอารหังนี่หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะเหมือนกับที่เราสวดมนต์สักรู่เนี่ยเวลาเราจะทำพิธีกรรมอะไรก็อารหังสัมมาสัมพุทโธคนสมัยก่อนไม่รู้นะ เวลานึกถึงเวลาพูดคำว่าอารหังนี่นึกถึงคนตายเพราะนั้นเนี่ยพอเด็กชายปาเอ่ยคำว่าอารหังขึ้นมากลางวงข้านี่โอ้โกรธมากเลยถามว่าจะมาแช่งชักหากระดูให้ตายกันไปหมดตอนหลังท่านเนี่ยพอบวชพระแล้วก็รู้ความหมายว่าอารหังนี่มันเป็นของดีของสูงนะคือพระตเจ้าและที่เขาพูดอารหังกับคนตายก็เพื่อให้คนตายเนี่ยรา ล, ลึกถึงพรทธเจ้าวเราลึกถึงพุทธคุณ พอจะระ ล, ลึกต่อไปถึงธรรมคุณสังฆคุณก็ทําให้จิตเป็นกุศลตอนหลังท่านก็มาอธิบายให้โยมแม่ฟังโยมแม่ก็เลยเข้าใจอ๋อคำว่าอารหังนี่เป็นของดีนะแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปเอ่ยคำว่าอารหังกลางวงขานี่เขาอาจจะด่าเลยนะเพราะเขาไม่เข้าใจเกิมนมากกว่าที่คนสมัยนี้เนี่ยพอได้ยินคําว่าอันนี้เจ้าวระทังข้าร้ายในงาน ในงานมงคลเช่นงานวันเกิดนี่จะโกรธก็ได้แต่สรธรมารถเป็นของดีนะก็เลยนะบอกให้ทีมนักร้องคอรัสเนี่ยนะร้องเพลงอันนี้จาวัตสังขารานะหลังจากให้ไปเบิร์ดเดย์แล้วเพื่อเตือนนะเพื่อเตือนใจให้เราลึกว่าวันนี้เราโชคดีที่มีชีวิตยืนยาวมาถึง หกหรือว่าถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าวันหน้าเนี่ยเรามีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอยา่าอย่าหลงเพลินในอายุนะอย่าคิดว่าเราจะไม่มีวันตายอย่าหลงเพลินในความสุขนะอันนี้ไม่เฉพาะคนอายุ60นะคนอายุ20นะหรือ30หรือว่า25 นะก็ควรจะระลึกไว้นะว่าจริงอยู่เราโชคดีที่มีอายุนะมาถึงวันนี้มีชีวิตมาถึงวันนี้แต่วันหน้าเนี่ยนะเราก็ต้องตายแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะภาษิต ท, ที่เบคก็กล่าวว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอยวไปคิดว่มีพุ่งนี้แล้วจึงค่อยมีชาติหน้านะ สำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าเลยในโลกนี้มีคนประมาณแส0ห้าหมื่นคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าในเมืองไทยในยประมาณพัน0คนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาดหน้าส่วนจะตายเพราะสาเหตุใดก็ไม่แน่นอนอาจจะเพราะความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติหรือถูกฆาตรกรรมก็ได้นี่คือความจริ ง, งชีวิตที่เราต้องตระหนักนะครนี้เนี่ยนอกจากอานอกจากเรื่องนี้แล้วนะก็น่าจะคิดต่อไปเมื่อตอนกลางวันนก็มีโยมคนหนึ่งก็เขียนมาอวยพรอวยพรสามประการ นึงขอให้ไม่มีอนาคตสองขอให้หมดเนื้อหมดตัวสามขอให้อย่าได้ผุดอย่าได้เกิดนะถ้าเป็นพรที่ดีนะไม่มีอนาคตคือว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปอย่าไปปล่อยใจหลายไปกับอนาคตมากให้หมดเนื้อหมดตัวคือว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะ ดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะที่พระเจ้าตรัสกัอุปการเนี่ยว่าสิ่งใดก็ตามที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยที่จะไม่เกิดทุกข์หรือเกิดโทษเนี่ยเป็นไม่มีหมายาว่าอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะแม้มันจะเป็นของดีของวิเศษแค่ไหนเป็นเพชรเป็นพลอย นะเป็นรถราคาแพงนะหรือว่าร่างกายนะยึดมั่นถือมัน่นนะว่าสวยว่างามภูมิใจในร่างกายของตัวภูมิใจในเสื้อผ้านหน้าผมว่าเป็นของกูของเรานะไอ้พวกนี้มันล้วนแต่ทำให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละพอๆมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังหรือพอมันเสื่อมพอมันแปลเปลี่ยนไปก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่มันไม่แปลมันไม่เปลี่ยนะนะ เราก็จะเบื่อก็ได้รถนะราคาแพง10ล้านยีสิล้านนะแม้มันจะไม่เสียเลยนะแต่ว่าพอใช้ไปสักปีสองปีก็เบื่ อ, อแล้วนะอยากได้รถคันใหมนะ่ถ้ามีปัญญาหาซื้อมนก็ต้องไปหามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะขมาถึงภาวะที่หมดเนื้อหมดตัวคือว่ามันไม่มีตัวกูของกูนี่ก็ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ผุดไม่ไม่ผุ ด, ไ ม, ไ, มผดไม่เกิดคือว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะไม่ต้องไปเกิดไหนที่ไหนอีกนะไม่ว่าจะชั้นพรมสุขติหรือว่าอบายอันนี้ก็เป็นพรนะวันเกิดนะหรือเป็นพรทุกโอกาสได้ดีทีเดียวนะคิดอย่างนี้เอาไว้บ้างนะเพราะว่าเวลาหลายคนเนี่ยพอถึงวันเกิดเนี่ยก็อยากให้คนอวยพรนะขอให้รวย นะขอยมั่งมนะีไม่ใช่เฉพาะวันเกิดอาจจะวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันเทศกาลสำคัญหรือแม้แต่ไม่ใช่วันไหนแต่ไปทำบุญหรือว่าร่ายข้วยพรก็ขอยอายุยืยนหมื่นปีนะคอยมีอายุยืนนานนะมันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นของดีเสมอไปนะคุณยายคนหนึ่งเนะี่ยอายุเกนะ้าสิบพอ วันสงกรานนี่ก็จะมีลูกหลานมาอวยพรลูกหลานก็จะอวยพรขอให้มีอายุยืนนะคอยมียืนไปเป็นร้อยปีคุณยายเนี่ยบอกเลยอวยไม่ไหวแล้วหลานเอย้ยอุตส่าห์เพอรับพรนะมาหลายปีจนอายุยืนถึงป่านนี้เนี่ยมันมีแต่ทุกอย่างเดียวเลยนะต่อไ น, นี้ไม่ขอรับพรนี้แล้วล่ะ คนที่ยังไม่แก่นะก็ จ, จะไม่รู้สึกว่าเออให้พอนี้นี่มันมันไม่ดีตรงไหนนะแต่พอแก่ตัวลงแปดสิบเก้าสิบแล้ว จ, จะรู้เลยว่าออการมีอายุยืนนี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะอีกทั้งการมีเงินมีทองร่ำรวยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเสมอไปนะเพราะว่าถึง จุดหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยนะไอ้เงินทองนี่มันช่วยแก้ทุกไม่ได้เลยนะมีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นหมอที่เก่งนะแล้วก็ที่แรกก็ทำธุรกิจเป็นเรียกว่าไซส์ลายตอนหลังก็ธุรกิจก็เจริญนะก็เลยลาออกมาทำธุรกิจ้เธอก็รวยเลยนะ แล้วตอนหลังก็มารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจก็เลยแต่งงานกันก็ทำท่าว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะต่างก็เก่งทั้งคู่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินแต่ก็วันหนึ่งเนี่ยทราบว่าผู้ชายเนี่ยเขานอกใจแล้วเขาขอขอเลิกทางาเธอเสียใจมากเลยนะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลย ความเศร้าที่มันครอบงมจิตใจจทั้ ง, งเกิดความสุาฉันไม่เหลืออะไรเลยที่จริงเธอมีทุกอย่างเลยนะขาดอย่างเดียวคือสามีหรือผู้ชายคนนั้นพ่อแม่ก็ยังอยู่บ้านรถยนต์ธุรกิจนะแต่ว่าตอนนั้นนิสสุว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเธอเล่าว่าเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเวลา เวลาเบื่อเวลาเสง็งนะก็จะเอาเพชรเนี่ยเพชรเนี่ยมีเป็นสิบเม็ดเลยนะใส่ไว้ในถุงเนี่ยเวลาครุ่มหลอกคลุ้งใจก็เอาเพชรนี่มาโรยมาโรยหน้ามาโรยบนโต๊ะแล้วก็ดูเพชรมีความสุขแต่พอถึงเหตุการณ์คราวนั้นนะเอเอาเพชรมาโรยเนี่ยบอกไม่รู้สึกมีความสุขเลยมันเหมือนกับหินเลย มันไม่มีความหมายเลยความทุกข์ที่เธอมีเนี่ยไอเพชรเหล่าเนี้ราคาเป็นหลายสิบล้านเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เธอมีความสุขเลยและนี่คือเหตุผลที่ทําให้เธอหันมาสนใจธรรมะนะพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะไอความทุกข์มันอยู่ที่ใจนะแล้วเวลาทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยเพราะว่าความหลงหรือเพราะความยึดติดถือมั่นก็ตามเนี่ยเพชรพลอยเงินทองนะ มันช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่มีธรรมะนะ่ที่จะช่วยได้เพราะธรรมะจะช่วยทำให้เราวางใจได้ถูกต้องนะรู้จักรักษาใจนะไม่ให้ความทุกข์มันครอบงำหรือทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนะถ้าเราถ้าเราปรารถนาพรเนี่ยนะมันก็ควรเป็นธรรมะนะที่ทำให้เราเนี่ย ละวางปล่อยวางความยึดมั่นนะในตัวตนหรือว่าทำให้เราเนี่ยได้มีความเจริญ ง, งอกงามในธรรมนะอันนี้พูดแบบ ร, รวมๆอีกอันหนึ่งที่น่าจะน่าจ ะ, น, าจะน่าจะลองพิจารณานะเวลาวันเกิดเนี่ยเราก็มักจะอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะแต่ที่จริงมันมีความอวยพอรอนหนึ่งที่ดีกว่านะ ในความคิดของตอมานี่พรสามประการที่ว่าเนี่ยนะอาจจะดูดูดูลึกซึ้งนะเข้าถึงยากนะถ้าไม่เข้าใจธรรมะแต่อันนึงนี่เข้าใจง่ายกว่าแต่และคิดว่าดีกว่าด้วยนะเดียควคขาว่า happy birthday ก็คือ happy date day happy date day ทำไมถึงว่าดีกว่า เพราะว่าวันเกิดเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่แฮปปี้นะก็อาจจะแค่เบื่อแค่เสงงถ้าวันเกิดนะเราไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็อาจจะแค่เบื่อแค่เสงงหรืออาจจะหนักหน่อยก็คื อ, อกังวลวิตกแต่ถ้าถึงวันที่เราตายนะถ้าเราไม่แฮปปี้นะ อ้วนมันทุกทรมานมากเลยนะไม่ต้องเป็นหมอเนี่ยก็รู้ว่าคนเราเนี่ยนะตอนใกล้าตายนี่ถ้าไม่แฮปปี้สักอย่างนะมันทรมานมากเลยมันไม่ใช่แค่ทรมานทางกายมันทรมานทางใจแล้วมันทรมานหนักจนทนไม่ได้เพราะถ้าทนได้ไม่ตายแต่เพราะทนไม่ได้ถึงตายนะ แต่คนเราเนี่ยนะแม้จะต้องตายนะและแม้ร่างกายเนี่ยมันจะมันจะมีทุกขเวทนามากแต่ใจเนี่ยนะมีโอกาสที่จะไม่ทุกขได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้เดทเดนะมันจะทุกขทั้งกายทุกขทั้งใจกลัวตื่นตหนกวิตกกังวลนะแล้วก็อะไรอาวรณ แม้กายอาจจะไม่เจ็บปวดนะเพราะมียามาระงับปวดได้แต่ใจเนี่ยมันยังทุกข์แล้วมันทำให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่าง Happy Birthday กับ Happy d เดทเดย์นะอาตมาว่า Happy ้เดทเดย์เนี่ยดีกว่านะยังไม่ต้องพูดถึงว่า Happy d เดทเดย์นะ ถ้ามอนงนแง่ชาวพูดนะถ้าเราตายอย่างมีความสุขนะหรือตายด้วยจิตที่สงบนะมันส่งผลตามมาคือไปดีมันไม่ใช่แค่ทำให้เราไม่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายแต่มันทำให้ไปดีสองเด่งนะแต่ถ้าให้ไปเบิร์ดเดย์นะโอเควันนี้เรามีความสุขแต่พรุ่งนี้อาจจะทุกข์ก็ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานก็วิตกกังวลแล้ว เจอรถติดนี่ก็เครียดแล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยนะมันไม่ได้ส่งผลมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าวันรุ่งขึ้นวันหน้ามันจะดีแต่แฮปปี้เดย์เดย์นะนะถ้าว่าแฮปปี้คือใจที่เป็นสุขนะสงบมันส่งผลถึงวันหน้ามันส่งผลถึงอนาคตก็คือไปสุขตินะหรือบางทีอาจจะยิ่งกว่า น, นั้นนะก็คือพ้นทุกข์ไปเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมวร์นิแ ง, งของมอร์นิแ ง, งของอนิสงส์หรือผลนะที่ได้นี่แฮปปี้เดย์นี่มันดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็และถ้าไม่แฮปปี้เดเดย์นะโอ้มันทรมานมากอย่างที่ตามาบอกนะถ้ามันเกิดเราไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็อาจจะแค่เซ็งนะเบือ่อหรือเฉยเฉยแต่ ถ้าจะตายนะถ้าไมแฮปปี้นะมันไม่มีควาว่าเฉยนะมันไม่มีควมว่าเบื่อนะมันตกบู้ไปเลยนะมันถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์นะทรมานถึงตอนนั้นอะไรก็ช่วยไม่ได้เงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแม้กระทั่งพ่อแม่เว้นแต่ว่าจะมีคนมาช่วยนำทางนะให้จิตเป็นกุศลการตายยังมีความสุขนี่เป็นไปได้นะ ผู้เจ้าตัดว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่จะตายเนี่ยมีโอกาสท ม, มีโอกา ส, ากาสาที่จะเป็นสุขได้แล้เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าได้ทำบุญแล้วก็ได้คิดถึงบุญหรือความดีนะที่ได้บำเพ็ญเพราะนั้นเนี่ยนะให้เรานึกถึงอันนี้บ้างนะอย่าอย่ารออย่าหวังแต่ให้ไปเบิร์ d เ y อย่างเดียว มันมีพรที่ประเสริฐกว่านั้นนะสำหรับปุถุชนธรรมคนอย่างเราเนี่ยนะไม่ต้องไปถึงขั้นว่านะขอให้หมดเนื้อหมดตัวนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอาแค่ว่าแฮปปี้เดทเดย์มันก็ถือว่าเป็นโชคกันประเสริฐแล้วมันไม่ใช่งานนะคนสมัยนี้ที่จะตายแบบสงบหรือตายแบบมีความสุขนะทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยอยู่สบายขึ้นนะแต่ตายกับลาบากขึ้น สถิติทั่วโลกเนี่ยมันชี้เลยนะว่าคนเนี่ยตายทรมานมากขึ้นตายด้วยความเจ็บปวดมากขึ้นตายด้วยความเครียดด้วยความว้าเวมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนรวมทั้งความโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นมากกว่าแต่ก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาก็าอาจจะอยู่ลำบากนะแต่เขาตายสบายคนสมัยนี้หรือคนร่าคนรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อย่าหวังแต่ว่าเออขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ขอให้มีความสุขนะในการดาเนินชีวิตนะชีวิตที่สบายไม่ได้แปลว่าจะตายสงบตายดีหรือตายสบายนะสำหรับคนยุคนี้ไม่มีเวลาที่จะพนันนามากนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะลองนึกถึงบ้างว่าเออเมื่อจะตายก็ขอให้ตายไปมีความสุข แล้ถ้าจะทำอย่างนั้นนะมันก็ต้องต้องเตรียมตัวเสียตาวันนี้นะทำความดีเจริญภาวนานะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักรักษาใจนะไม่ให้ความโกรธความเครียดความเศร้าโศกเสียใจมันมาครอบงาจิตบ้างรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างอย่างที่บอกไว้เนี่ยคนเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราแม้แต่สิ่งที่ทำความทุกข์กับเราเราก็ยึดเอาไว้ ยึดทำไมในเมื่อมันทำความทุกข์มันบีบคั้นจิตใจทำไมไ ม, ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่ปล่อยไม่วางเพราะหลงเนะพราะลืมนะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องเติมสติสเติมสัมปชัญญะเติมความลึกได้ความรู้ตัวทั่วพร้อมนะให้กับจิตใจเรามากขึ้นทำทแต่วันนี้นะอย่างที่พวกเราเนี่ยมาที่นี่หลายคนก็ยังอายุแค่ 14, บ5นะ มาได้เลยรู้สิ่งนี้นะก็ถือว่าได้เปรียบแล้วถึงเวลาที่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะถึงเวลาทีนะ่เราจะต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็ไปสบายนะแฮป Day ก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้